ปัญหาข้อที่2ี่เรื่องการเปิดไฟการปิดเปิดของประตูหน้าต่างที่เกิดขึ้นเองและเป็นการกระทาของโอปปาติกะทำไมทำได้และทำไมทำไม่ได้ทุกครั้งพันเรื่องแสงและไฟฉายเรื่องพันเรื่องแสงและไฟฉายซึ่งในหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ และไฟฉายนั้นก็สามารถกระพริบได้คือปิดปิดเปิดเปิดได้โดยไม่มีมือมนุษย์คนใดเข้าไปเกี่ยวข้องปฏิหารอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายมาแล้วขอให้ย้อนกลับไปอ่านในเรื่องโต๊ะลอยจากพื้นแต่สำหรับในกรณีที่ไฟฟ้ากระพริบได้นั้นถ้าคนไหนเคยเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านในบ้านปิดเปิดได้เอง เดี๋ยวทีได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เกี่ยวกับคนและไม่เกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าหรือสวิตไฟฟ้าหลวมซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ในกรณีอย่างนี้ไฟฟ้าอยู่ดีๆก็อาจจะปิดเปิดได้เองสําหรับข้าพเจ้าไม่เคยเห็นปรากฏการ์เช่นนี้แต่เคยได้ยินเรื่องที่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังและเป็นเรื่องที่พอจะเชื่อถือได้ก็มีอยู่หลายเรื่องและคิดว่าเรื่องอย่างนี้คนที่สนใจในทางนี้มักจะได้ยินได้ฟังเสมอ ฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องนำมาเล่าแต่ข้าพเจ้าก็ใคร่ที่จะขอบันทึกเรื่องประตูหน้าต่างปิดเปิดได้เองซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเห็นมาด้วยตัวเองจากเรื่องนี้ผู้อ่านก็คงจะเทียบเคียงได้เองว่าการที่ไฟฉายปิดเปิดได้เองนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงหรือไม่เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณหถึงปีมาแล้วเป็นเวลากลางวัน ข้าพเจ้ากำลังนั่งสนทนาอยู่กับคุณสีเพนจตุทัศีอยู่ในห้องสมาธิหน้าต่างเปิดหมดทุกบานส่วนประตูนั้นเป็นประตูกระจกและปิดอยู่ที่ประตูนี้มีข้อเสื่อสำหรับบังคับให้ประตูปิดได้เองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นประตูนี้จะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วก็ปรากฏว่าประตูได้เปิดออกกว้างพอที่คนจะเข้ามาได้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครเข้ามา ครั้งแรกข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีแขกเปิดเข้ามาเมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งคุยกันอยู่เกรงใจจึงไม่กล้าเข้ามาฉะ น, นั้นเมื่อมีเห็นใครมีใครเข้ามาข้าพเจ้าก็เปิดประตูออกไปดูและค้นหาจนทั่วถามคนนั้นคนนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครเป็นผู้เปิดและถ้าจะคิดว่าเป็นลมพัดให้ประตูเปิดก็ไม่ใช่แน่เพราะตอนนั้นลมเงียบสงด ข้าพเจ้าจึงได้กลับเข้ามาในห้องสมาธิและบอกให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปดูเพราะแน่ใจว่าต้องไม่ใช่คนเปิดแน่เมื่อคุณสีเพนออกมาจากสมาธิแล้วก็บอกว่ามีฤาษีองค์หนึ่งซึ่งเป็นโอปปาติกะท่านมาเยี่ยมฤาษีองค์นี้เคยพบกับท่านที่บ้านหมอขวัญเมื่อประมาณสักหนึ่งอาทิตย์มานี่เองหมอขวัญเป็นหมอแผนโบราณมีบ้านอยู่ที่อาคารสงเคราะห์ดินแดนการที่ข้าพเจ้าไปที่บ้านหมอขวัญ ก็เพื่อเป็นการเยี่ยมตอบในฐานะที่หมอขวัญเคยมาหาข้าพเจ้าที่บ้านได้สนทนากันในเรื่องต่างๆทราบว่าหมอขวัญเป็นคนที่สนใจในทางวิญญาณเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมาหลายครั้งและยังผู้ที่ฟังอีกว่าที่บ้านมีฤาษีศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าจึงได้ไปเยี่ยมเพื่อจะดูข้อเท็จจริงโดยไปกับคุณสรีเพนและเมื่อไปที่บ้านของเขาแล้วก็ได้พบกับฤาษีองค์ที่ว่านั้นจริงจึงได้นิมนต์ท่านไว้ว่า เมื่อท่านมีโอกาสก็ขอให้ท่านมาเยี่ยมข้าพเจ้าที่บ้านบ้างนี่คือปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่พบเห็นมาด้วยตนเองส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือหน้าต่างเปิดซึ่งผู้ที่เปิดไม่ใช่คนแต่เป็นโอปปาติกะชื่อจันทากุมารีแต่เรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยเขียนลงในหนังสือวิญญาณหลายปีมาแล้วซึ่งภายหลังนั้นไปรวมกับหนังสือในชุดว่าเสียงสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงจะไม่นํา ม, มาเล่าไว้อีก เพราะเหตุที่เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองเช่นนี้โดยส่วนตัวข้าพเจ้าจึงไม่ประหลาดที่ว่าไฟฉายปิดเปิดได้เองโดยไม่มีมือมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ดีปรากฏการทั้งสองครั้งนี้ข้าพเจ้าเคยขอร้องให้ท่านฤาศีกับจันทากุมารีทำให้ดูอีกก็ปรากฏว่าทำไม่ได้ทั้งที่ได้ลองพยายามทาดูแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ก็น่าเห็นใจ รู้สึกว่ามันยังมีอะไรลึกลับอีกมากซึ่งแม้ผู้ที่ทำได้เองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรแต่ถึงอย่างไรกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ต้องมีอยู่แน่ๆเป็นแต่ยังไม่ทราบโดยละเอียดเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่อาจจะทำขึ้นมาได้ตามความต้องการทุกครั้งเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพวกโอปปาติกะมักจะเป็นเช่นนี้คนที่เห็นด้วยตัวเขาเองก็มีความเชื่ออย่างสนิทใจ ส่วนคนที่ได้ยินแต่เพียงคำบอกเล่าและพิสูจน์ไม่ได้คนเหล่านี้ก็ไม่ยอมเชื่อความเป็นจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะการจะเชื่ออะไรยังไม่มีเหตุผลโดยไม่มีข้อพิสูจน์พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสห้ามไว้เหมือนกันแต่ถึงกระนั้นผู้ที่เป็นนักคิดก็ควรระลึกไว้บ้างว่าข้อเท็จจริงบางอย่างที่คนบางคนพบเห็นมาด้วยตนเองแต่คนส่วนมากไม่ยอมเชื่อนั้น ต่อมาภายหลังในเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางแล้วก็ปรากฏว่าข้อเท็จจริงอันนั้นมีมูลความจริงและได้นำประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาสู่โลกตัวอย่างเช่นนี้ในทางวิทยาศาสตร์ได้เคยมีมาม า, มากแล้ว